สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตข้อที่7ถึงข้อที่12ของสุภาษิตบทที่22นะครับโบทฟังพระราชณะของพระเจ้าคนมั่งคั่งปกครองเหนือคนยากจนและคนขี้ยืมก็เป็นทาสของคนให้ยืมบุคคลผู้หวาน อายุติธรรมจะเกี่ยวความหายนะแต่ไมายถือแห่งความดุเดือดของเขาจะล้มเหลวบุคคลที่มีตาแสดงใจกว้างขวางก็จะรับผ่อนเพราะเขาแบ่งส่วนอาหารของเขาแก่คนยากจนจงขับคนมักเยาะเย้ยออกไปเสียการวิวาทจะหมดไปการวิวาทและการดูแคลน จะหยุดลงบุคคลที่รักใจบริสุทธิ์และวาจาของเขามีกรุณาคุณจะได้พระราชาเป็นมิตรพระเนตรของพระเจ้าเฝ้าอยู่เหนือความรู้แต่พระองค์ทรงคว่มถ้อยคำของคนไร้ความเชื่อเสียพี่น้องครับเราจะมาดูกันนะครับว่าการให้ยืมเป็นความทุกข์ การหยิบยืมก็เป็นความทุกข์ให้เราพยายามหลีกเลี่ยงครับที่จะไม่ต้องให้ยืมและไม่ต้องหยิบยืมการที่เราเป็นหนี้อะไรใครก็จะทำให้เราตกอยู่ภายใต้การบงการการควบคุมภาษาอังกฤษใช้คาว่า manipulate ของเจ้าหนี้ได้ผู้ที่ชอบให้ของคนอื่นที่ไม่จริงใจ ก็กลายเป็นผู้ที่จะควบคุมบงการชีวิตของคนที่รับผู้ที่ให้ยืมกลายเป็นนายของผู้ยืมครับดังนั้นก่อนที่จะติดหนี้ใครให้คิดให้ดีก่อนเพราะเขาอาจจะกลายเป็นทาสถูกกดขี่น่าสงสารแท้จริงแล้ว พระกัมภีอนุญาตให้หยิบยืมจากกันและกันได้แต่ต้องไม่คิดดอกเบีย้ยครับคนอิสราเอลอาจจะคิดดอกเบีย้ยได้รับการอนุญาตให้คิดดอกเบีย้ยจากคนต่างชาติได้แต่ต้องไม่อยู่ในอัตราที่เอาเปรียบผู้ยืมกำลังทำตัวเองให้อยู่ในจุดที่ไม่มั่นคงที่ต้องพึ่งพาคนอื่นดังนั้นจงระมัดระวังครับอย่าใช้จ่ายเกินตัวมัวแต่ลุ่มหลงความสะดวกสบาย จนต้องยืมคนอื่นใช้ไม่ประมาณการให้ดีมีคนถามว่าการให้ยืมเป็นความทุกข์ได้ยังไงครับเจ้าหนี้จะมีทุกข์ได้หรือคําตอบคือมีทุกข์ได้ครับถ้าลูกหนี้ไม่คืนดังนั้นพระคัมภีร์ใหม่จึงสอนว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครเว้นไว้แต่เป็นหนี้ แห่งความรักการเป็นหนี้แห่งความรักนั้นเป็นสิ่งสมควรเพราะว่าเราได้รับความรักจากพระเจ้าเราต้องแสดงความรักต่อคนอื่นข้อ8ครับคนที่หวานความชั่วร้ายจะเกี่ยวเก็บปัญหาสิ่งที่คนอธรรมได้มาด้วยความเกลียดกลั่ดุร้ายจะไม่ยั่งยืน พี่น้องครับวิธีการแยบยนต์เพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์นั้นจะล้มเหลวครับปัญหาของคนชั่วร้ายก็คือเขาไม่สามารถนำความยั่งยืนมาถึงการกระทําของเขาได้อาจจะดูเหมือนดีในช่วงแรกๆ แ, แต่ในที่สุดแล้วจะเกิดปัญหา ที่คนชั่วร้ายนำไปให้คนอื่นจะกลับมาตกที่ตัวเขาเองความล้มเหลวของสิ่งต่างๆที่เขาทำก็จะติดตามความอายุติดธรรมและความดุเดือดของเขาตลอดไปข้อ9พระกัมพีกล่าวว่าบุคคลที่มีตาแสดงใจกว้างขวางก็จะได้รับพรเขาจะแบ่งส่วนอาหารของเขาแก่คนยากจน พระกมภีร์กําลังสนับสนุนให้เราทําการสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนยากจนอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีสติปัญญาครับคนช่วยเหลือนั้นจะต้องมีตาที่ฉลาดและมีจิตใจที่กว้างขวางตาที่ฉลาดหมายถึงตาที่ดีตาที่เห็นถึงความต้องการตาที่ไม่ได้ถูกหลอกลวงจากผู้ที่โกหกหมดมดเ ท, ท็ดและ ต้องการผลประโยชน์คนที่จิตใจกว้างขวางจิตใจดีเขายินดีแบ่งปันอาหารความช่วยเหลือให้กับคนยากจนไร้ที่พึ่งคนที่อ่อนแอคนที่อ่อนกาลังพี่น้องครับคนที่มีจิตใจกว้างขวางเหล่านี้เขาจะต้องมีตาที่ดีด้วยตาที่มีสติปัญญามองออกว่าคนนั้นมีความต้องการจริงๆมากน้อยอย่างไรความจริงใจ ทำให้เรามีใจเมตตามองดูคนอื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจด้วยความปรารถนาดีที่อยากจะช่วยเหลือโดยไม่หวังเอากำไรหรือเอาผลประโยชน์จากเขาดังนั้นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนยากจนเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์ความช่วยเหลือที่ไปถึงคนตกทุกข์ได้ยากนั้นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยครับให้เรามาดูต่อในข้อที่10 ข้อที่10ได้พูดถึงคนมักเยาะเย้ยครับคนพวกนี้ก่อปัญหาก่อความยุ่งยากก่อความอุปสรรคทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันการเข้าใจผิดกันไม่เพียงแต่เท่านั้นยังนําไปถึงการที่คนเหล่านั้นมักจะชอบดูถูกเยาะเยะ้ยคนอื่นการดูถูกดูแคลนดูหมิน่นการถูกเยาะเยะ้ยเนี่ยครับถ้าเราเอา คนที่สร้างปัญหาเอาตัวปัญหาตัวสร้างปัญหาออกไปจากชุมชนจากกลุ่มปัญหานั้นก็จะหมดไปครับแต่ก่อนที่เราจะกําจัดหรือลงวิัยในให้คนคนนั้นออกไปต้องให้ความเมตตาให้ความรักเขาเปิดโอกาสให้เขากลับใจก่อนครับเมื่อเขากลับใจใหม่เขาก็จะได้รับการอภัยโทษแม้แต่พระเจ้าก็ยังให้อภัยเขา ดังนั้นเราจึงควรที่ต้องให้อภัยคนเหล่านี้เช่นเดียวกันพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ให้โอกาสเป็นพระเจ้าที่ให้อภัยเราเองนั้นจะต้องเรียนแบบพระองค์คือเราต้องเป็นผู้ที่ให้อภัยและผู้ที่ให้โอกาสคนอื่นเสมอข้อ11ก็ต่อเนื่องความคิดมาจากข้อ10ครับเราต้องมีความคิดและแรงจูงใจที่บริสุทธิ์ครับ สิ่งที่เราพูดออกมาก็จะประกอบด้วยความจริงใจความเมตตากรุณาและจะเป็นที่ชื่นชอบของคนที่มีอำนาจปกครองบ้านเมืองที่ดีเราสามารถสรุปได้นะครับว่าความบริสุทธิ์ความจริงใจความเมตตากรุณาก็จะชักนําให้คนที่มีความบริสุทธิ์มีความจริงใจมีความเมตตากรุณามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆที่ดีจะมีคอนเนคชั่นที่ดีกับคนที่ดี โดยเพาะอย่างยิ่งผู้นำนะครับผู้ปกครองบ้านเมืองคนที่มีอำนาจที่ดีและแม้กระทั่งพระเจ้าของเราด้วยเช่นเดียวกันครับข้อสิบสองข้อสุดท้ายในวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของความอย่างรู้ของพระเจ้าครับอยู่ในศัพท์คาที่ว่าพระเนตรของพระเจ้าเราจะเห็นถึงความสัพพันญูของพระเจ้าครับเราจะเห็นถึงการปกป้อง ของพระเจ้าที่มีต่อคนชอบธรรมพระเจ้าปกป้องสติปัญญาพระเจ้าประทานความรอบรู้ปกป้องไว้เก็บไว้รักษาไว้ให้กับคนชอบธรรมในทางตรงกันข้ามครับคนที่ไม่สักดซืสิ้ที่พูดคำพูดที่ไม่สักดิ์ส้เขาจะถูกทำลายคนอธรรมนั้นไม่เป็นที่พอพัไทัยของพระเจ้าในขณะที่คนชอบธรรมก็จะเป็นที่พระเจ้าพอพะัะทัย พระเจ้าจะปกป้องเขาไว้ปกป้องสิ่งที่เขามีอยู่ที่สําคัญที่สุดก็คือสติปัญญาและความรอบรู้ของเขาดังนั้นเองเราจะเห็นนะครับว่าคนที่มีปัญญาเขาจะอยู่ภายใต้การอารักขาการคุ้มครองของพระเจ้าในขณะที่คนไม่ฉลาดไม่มีปัญญาขาดสติปัญญาและคนมักทรยศชีวิตของเขาจะจบลงที่ความสับสนครับพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงเมตตาพวกเรา ในการที่เราจะมีคุณสมบัติหรือลักษณะที่ดีที่เป็นลูกของพระเจ้าติดตัวเราตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจเมตตาจิตใจที่ปราศจากความชั่วร้ายจิตใจที่ไม่วงการคนอื่นจะทำให้จิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์ครับอาเมน